لَقَالُوا لَوْ لَفُصِّلَتْ ا آيَاتُهُ أ َ ع ْ ج َ ا م ُ و َ ع َ ج َ م ٌ ُ ل هو للذين آمنوا دون وشفاء <ت ص في ق> والذين لا คือ อภัยมิล Olu. All... อััลอา له นะ له นะฮฺอัลล ل له นะฮฺอัลลอฮฺอัล له นะ ل له นะ له นะฮฺอ ل له นะฮฺอัล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 ว่ ي จนาตอารชีฮ <cito. S 2> ิวามิดาดะลิมติฮยา حي ญยาคอยุมบรหัมดีกะอัลตักิส ص ل ح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرف عين حسبي الله ونعمل وكيح حسبي الله ونعمل وكيح حسبي الله ونعمل وكيح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah วันนี้ร่วมนม ที่มัสยิดอันวาลิซุนนะที่เราทั้งหลายครับ <c oughs> ด้วยความเมตตาของอัลลอฮุบ ب า ا ن ه ะอาตาละ่ะอัลลอฮให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้ละฮัมดุลิลละไม่ใช่ความเก่งของเราเลยพี่น้องแต่เป็นความสามารถที่อัลลอประทานให้ให้เราได้ลุกขึ้นมานำมาตะฮัตยุดเมื่อคืนนี้ก็ด้วยความเมตตาของพระองค์ให้เราได้ อ่านกุรอ า, านมาในมาติมัสยิ d มาทบทวนอัลกุรอานก็ด้วยความเมตตาของอ AH ัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พี่น้องครับการขอบคุณอ AH ัลลอฮฺนี่ต้องขอบคุณอัลลอฮฺในทุกๆอิดีอาบทนะครับ <c oughs> วันนี้ขอบคุณอัลลอหฺนะที่เราได้อ่านทบทวนกุรอานมาถึงสุร่าฮามีมซาดัดะหรือเรียกอยิยาหนึ่งก็ฟสุสลัด ฟุตเซลาร์ไดแปลว่าชัดแจ้งฟุตเซลาร์ไดแปลว่าชัดแจ้งขอเท้าความนิดนึงนะครับ <c oughs> ของที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนะะี่ยนครับคืออยายะสุดท้ายของอาทิตย์ที่แล้วก็คืออินนารอบบกะลาดูมะฟิโร แท้จริงพระผู้อภิบาลของท่านเนี่ยเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของแห่งการอภยัยโทษอัลลอฮฺพระผูอัลอลอฮฺเป็นเจ้าของการอภยัยโทษแล้วคนที่จะได้รับการอภยัยโทษจากอาลัลลอฮฺนี่ยต้องมีนิสัยแบบนี้ด้วยต้องตบบ้านตัวเขารู้ว่าผิดเนี่ยอย่าดัน <c oughs> ดันทุรัง ต้องยอมรับสารภาพตนต่อลรองร้องให้สักเนี่ยเรื่องนี้มปนเรื่องใหญ่นะครับเพราะอิสลามเป็นาศาสนาที่สอนให้เราเนี่ยนอมน้อมถ่ อ, อถมตนต่อกลข้อที่สองวาซุไรไอโก บ, บินแล้วรับเป็นเจ้าของแห่งการลงโทษไ อ, อ้ก็ัวลงโทษลงโทษแบบไหนาอาลีมลงโทษแบบเจ็บแสบหนัก ไม่ตายด้วยถูกลงโทษเท่าไรก็ไม่ตายบนอยากตายนาทีหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยครั้งเราล่อให้จากตายจังเลยเราลไม่ให้ตาย น, นี่เล่าให้ฟังไม่เชื่อไม่เชื่อก็ไม่มีปัญหาเรามาได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ริสกีเดินเอาไปความสุขความสำราญอยู่บนดุนยานี่ยเอาล่อให้ครับให้ให้มากกว่าคนที่ إ ่ م านต่อร้อยสี ให้ความอร่อยมันตอนลุกขึ้นนมาซูโบนอร่อยไหมละ่ะทำไม่ได้ แ, แต่คนที่ลุกขึ้นมา น, นมาศอ่านคุราน ม, มา น, นมาตะหุยนี่น่นาอเข้มแข็งหมดเลยอเดินตามอารมณ์เมื่อไหร่นะคนที่ลืมคนที่ลืม อ, อ, อัลลอฮ์ฉะนั้นคนที่นึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆเนี่ยเขาเรียกว่าคนนั่นเป็นคนที่ไม่ลืมตัวเองคนลืมคนที่ลืมตัวเองมีอันตรายนะ เอาต่อไปบันิมาอายะซีซีซีว่าดูจากนาุบขรอนั้นอัจมียาแล้วกลล่าวล่าฟุศลัอายตุอัจมียุวะอับิน قل هو للذين آمنوا وجوههم وشفاء والذين لا يؤمنون في أذانهم وق وعليهم عما أولئك ينادون من م ك ا ن بعيد و َ ل َ و าจะทำให ن เขาเป็นอัลกุรอา ل อัจ ل ีย์ ا ลّ้เَ ا จُ و ูดَ่า ل ้าเราไม ل แยกแยะข้อควาَเَาจะเป و َอัลَ والذين لا يؤمنون في آذانهم وقوق وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد الحمد لله الله أكبر พี่น้องมิซาบยูเนี่ยอาจัมีศัพท์คำนี้นะอาจัมแปลว่าคนที่ไม่ใช่อารับ เ, เขาเรียกว่าคนอาจัมอย่างพวกเราเนี่ยเป็นคนอาจัมคนไม่ใช่อารับนี่นเป็นคนอาจัมหมดนี่อลัลลอฮ์ถามอาลัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะกุรอานเนี่ย ถ้าเป็นภาษาไม่ใช่ภาษาอาหรับเป็นภาษาตามถิน่นอาญ า, ามียุนถ้ากูอ่านนี้เป็นภาษาต่ามถิน่นไม่ใช่ภาษาอาหรับคนในนครมักกะเนี่ยมันต้อนรับหรือมันจะตำหนิมันจะต้อนรับไหมหรือมันจะตำหนิอัลลอฮ์เ ล, ล่าเองมันตำหนิ ขนาดประธานไปกุนาร์ลงมาเป็นภาษาหลับมันก็ยังตํำหนิอยู่แล้วแหละตํำหนิว่าอะไรเนี่ยมาสอนเอาความรู้จากกุนาร์มาสอนเนี่ยเช่นให้ยึดเอาละ อ, องค์เดียวปู่ย่าตายายเขานับเธอกันมาต้องเป็นร้อยๆองค์แล้วนบีมุฮัมมัดมาสอนให้เหลือองค์เดียว ไ, ไหมไหมทั้งๆที่สอนเป็นภาษาหลับนั่นแหละ อาวันนี้อัลลอ์ไม่พูดอย่างนั้นพูดเรื่องว่าถ้ากุรา น, นี้เป็นภาษาอาหรับพวกนี้มันจะกล่าวต่อต้านว่าอย่างไรอ่าดูสักนะว่าเราถ้าหากจะอันานนเราได้ทำอัลกุรอานกุรอานนั้นเป็นกุรอานอาจะมียันเป็นภาษาตามทิมไม่ใช่ภาษาอาหรับ แล้วก็รู้พวกเขาก็จะกล่าวว่าหรือพูดค้านว่าเราลาฟุสเซลัเลเรลาแปลว่าทำไมไม่ฟุสเซลัแปลว่าชัดแจ้งทำไมอ่านไม่รู้เรื่อง <c oughs> <c oughs> ถ้าค น, น, นระดับเป็นคนที่รู้ภาษาเดียวคือภาษารับนั่นแหละภาษาอื่นไม่รู้หรอก คัลอัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาเป็นภาษาท้องถิ่นอันเป็นภาษาต่างถิ่นชือเป็นภาษาอะไรอ่ะภาษาไทยยกตัวอย่างนี้นะโอ้โหค้างกับทั้งประเทศนั่นแหละแต่อลละรู้นิสยัยนี่เล่าถึงภาษาเล่าถึงสันดาล น, นนะเล่าถึงความประพฤตินิสัยของคนอาหรับอลัลลอฮ์ทำไมอลัลลอฮ์เลือกเอาคนอาหรับเนี่ย เป็นคนที่แย่ที่สุดในโลกนะเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่ากุรานเล่มนี้เล่มเดียวสามารถเปลี่ยนนิสัยคนที่เลวที่สุดในโลกให้เป็นคนดีได้เพื่อจะบอกพู้เราด้วยนะใครที่ไม่เอาศาสนาบนโลกดุนยาไปนี้ถ้าหันมาเรียนกุรานมาศึกษาอิสลามผ่านกุรานและผ่านสุนานะนบีนะ สามารถเป็นคนดีได้อย่างสบา ย, ยนี่สบายใจฉะนั้นคำพิษคุรา น, นี่แหละเนี่ยคนที่เรียนกุรานเรียนภาษาลาบบ้างอะไรบ้างนี่เราไม่ทิ้งนะพยายามสนใจอัลกุรอานบอกภรรยาด้วยอ่านกุรานศึกษาอัลกุรานหาความรู้จากกุรานาค่อยหาไป วลำคำสองคำสามคำเนี่ยัเนี่ยพเก็บเก็บเก็บบันทึกบันทึกบันทึกเอาไว้นะครับว่าเราจะอานหุกุรอานันอาจมียะและถ้าหากเราได้ทำมันคืออัลกุรอานเป็นภาษาตางถิน่นลราก็ลูล่าไปว่าแน่นอนพวกเขาก็จะกล่าวว่า แล้วชะไหนล่ะอายาตูองค์การทั้งหลายของมันลาฟุสริลัตไม่แจ้งชัดไม่ชัดแจ้งคืออ่านแล้วไม่เข้าใจมันก็ตำหนิตำไก่ตาหนินบีตำหนิอัลลอฮ์นั่นะทำไมประธานทางนำมาไม่ใช่ภาษาอาหรับอ่ามาใช่ภาษานาบีมฮัมมัดนีม่มาเป็นภาษาอื่นอีกก็จะตำหนิ อาอาจะมียุนตำหนิว่างี้ภาษาอะไรกันนี่คำพีเป็นภาษาอะไรกันเป็นภาษาทองทองเป็นภาษาต่างถิ่นว่าเราบียุนแต่คนสอนเป็นคนอาหรับคนสอนเป็นคนอาหรับแต่คำพีสมุดคู่มือ ที่เอามาสอนนั้นเป็นภาษาท้องถิ่นมันจะตำหนิแบบนี้นี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังก็แบบเรานี้แ่แหละมีรถญี่ปุ่นไม่ยอมแปลเป็นภาษาไทยสักทีหนึ่งอะไรนะั่นส ม, มุดคู่มือนี่ยังเป็นภาษาญี่ปุ่นเราก็จะพูดแบบนี้แหละรถเราเป็นคนไทยมีรถญี่ปุ่นและภาษาทําไม่ยอมแปลกันสักทีเลยเราอันไม่รู้เรื่อง ตำเนีอลัลกุรอานบาปเนี่ยเล่าให้ฟังจะนั้นมุสลิมจะต้องนอบน้อมถ่อมตอนต่ออัลลอฮ์หมดจะนันไม่ว่าอลัลลอ์เนี่ยจะสอนอะไรถึงตัวเองยังรับไม่ได้วันนี้ก็ต้องยอมรับเราจะเปิดใจฉันหน่อยเธอให้ฉันได้เข้าใจกุรอานอาย่านี้เรื่องนี้อย่างนี้เป็นต้นค้านไม่ได้อ่าถ้าค้านปาาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเฟืองนนามาเป็นกอรูณ เอาล่อให้รวยรวยเก่าอีกแล้วก็เป็นงไงผลสุดท้ายเอาล่อให้แผนดินสูกให้จมน้ำตายอย่างนี้เป็นต้นนะครับกุลฮัวลิลละทีนาอามาโนจงกล่าวเถิดมุมัดคนอาหรับมันจะพูดแอนตี้ยังไงก็ตามให้มุมัดกล่าวมุมัดเออกุลจงจมอไรนะจมพูด จงดะวาจงตั้มเล็กนั่นแหละฮะว่ากุรานคือลิลละดีนอามะนูเป็นอะไรนะเป็นทางนำสำหรับคนที่มีอีมานเท่านั้นโอ้ถ้าไม่มีอิมาต้องอ่านกุรานไม่เข้าใจโอ้อักบัต ส, สบายใจใช่ไหมฉะนั้นเราเนี่เป็นคนมุมีินผู้ศรัท ธ, ธาต่อหล่อถ้าอ่านกุรานแล้ว พอคุ้อ่านเนี่ยอัลลอฮฺประทานให้กับคนที่อีมานต่ออัลลอฮฺเท่านั้นถ้าคนไม่อีมานต่ออ่านกุ้อ่านเนี่ยยังไงยังไงมันก็ไม่เข้าใจอันนี้เป็นตน้นเอาต่อมาครับแล้วกุ้อ่านเป็นอะไรอีกว่าชีฟะฮุนเป็นที่บำบัดเป็นยารักษามันมีโรคอยู่สองโรคโรคข้างนอกกับโรคข้างใน โรคที่ผิวหนังเนี่ยกับโรคข้างในเนี่ยครมากุรานรักษาโรคไหนกุรานรักษาโรคข้างในภาษาอาหรับาบาตินมันจะจอฮหรโรคตะก บ, บุดเยอะยิงจองหองอวดดีเอาชนะท้านทศกษาอัลกุรอานหาความรู้จากักุรอานยอมหมดยอมอาละองเดียวแลยจบม่ยอมสุนาัขนาบีละจบแม่ที่สามีทะลอกันวันนี้นะ่ะ ก็เพราะเาจะอาชนะกันเนี่ยนี่ทนายยอมเพื่อมันก็จบสภรพยายอมก็จบสาวายอมเพื่อใครยอมเพื่ออัลลอฮ์สุลฮานอันลลอฮ์จบไหมจบท่านยอมเพื่ออัลลอฮ์ท่นลุกขึ้นธรรมาตาหยุดไม่ได้วังให้ใครมาชมไม่ได้หวังให้ใครม า, มมรมายกย่องให้เกียร์ท่านทําเพื่ออัลลอฮ์ใครไม่ชมเราไม่ได้สิมันจะเสียเรียชเลยไม่ได้เครียดด้วย ทัานทำเพื่ออรวสุหานาวุตาท่านบิลาเนี่ยอีกตัวอย่างนึงพนมาตัดฟอรดูที่มัสยิดกับท่านนบีเนี่ยหลายคนสาวบ้านนบีหลายคนเนี่ยเขาจะกลับไปนมาสุนัขที่บ้านกนปิดประตูให้เรียบร้อยแล้วก็ น, นมานดที่บ้านเพื่อจะให้บ้านก็มีบารากัด นมาที่มัสยิดก็ได้ไม่ผิดแต่ว่าซาฮาบานาบีหลายคนนบีเนี่ยจะกลับไปนมาสูนหนักที่บ้านทตนี้เขาพยายามกลับไปนมาที่บ้านเมื่อให้คนเห็นนะนะแต่ว่บางคนเนี่ยไ ป, ไ ป, ไ, ปไปแย้มประตูเขา้าไปรู้เขาทําอะไรกําลังนมานอยู่เขาก็เล่าวันนียไม่น่าไม่น่าจะทําแบบนี้ไอ้ที่เขาแย้ประตูนะมาถึงเราวันนี้ควจะบอกให้รู้ว่า ที่เขาเรียบกลับไปบ้านนะเพื่อไปทํานมามสุนัตให้เกียรติกับบ้านของเขาเองนีสบายใจใช่ไหมเพราะอันฟังเรื่องนี้อลัเองเลยๆฉะนั้นมุสลิมจะทําอะไรดีหมดอนะ่ะขอให้ทํางพระองค์รอดหวังรางวัลตอบแทนจากเราอย่างเดือน رمضان จะมาเนี่ยทุกคนอยากเข้า ر ม ض ا ن นอะ่ะใช่ไหมเริ่มเริ่มขออุทิศร้องจ่าให้ฉันได้มีชีวิตอยู่ในเดือน رمضان ด้วยเธอ และบวชในงานงานหนักหรืองานเบาหนักแต่มีใครบ่นไหมไอ้นี่หลอนและกุมตัดตระกูลหวังอีกนะหวังจะได้รับอะไรก็ตักวาจากอัลลอฮฺบวชก็บวชแถมยังบริจาคอีกยังทําบุญอีกยังไม่พูดสวดจารศรโผกอีกอัลลอฮฺสอนตา้งเยอะแยะจากเวลาก็อ น, อน้อมรับด้วยความเต็มใจไม่มีใครบ่นสักคนหนึ่งหลานแล้วกมตัดตระกูลเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ อ่าตั้วาต่ออัลลอฮฺ سبحانه และก็ تعالى ตัวเราประพูอ่านเป็นอะไรครับเป็นฮูดาข้อที่สองเป็นศีฟาเป็นทารมนาเป็นยารักษาโรคโรคข้างในนะไม่ใช่โรคข้างนอกนะโรคข้างนอกไปไปหาโรงพยาบาลแต่อาโรคอิจฉาโรคอะไรนะเอาชนะโรคซิริกโรคตะกำ บ, บุด โรคเหล Calvin, be a a <group> ่าน anyway. <onsieur mushrooms> ี้นี่ที่โรงพยาบาลรักษาไม่ได้แต่พออ่านคุณอ่านปั๊บรักษาได้ทำดูรีแลโรคอสนาคนเนี่ยนี่ความรู้อย่างนี้นางกระยุนนกรบปีกุณอ่านหมดเลยทำดูเขาต้อขอบคุณอัวร้อนนะว่าทมดูรีแลรอได้อ่านกุณอานนะครับตัวลวงว่าโรคมีสองอย่างนะโรคภายนอกกับโรคภายในโรคข้างในคือโรคอิสระโรคซีริกโรคตะกัรบดลวกปวดดีโรคที่เหนียว โลกเอาชนะเหล่านี้อ่านคุรานศึกษาอัลกุราอานเอาเราจะชีทางนั้นค่อยๆเปิดใจเปิดใจเปิดใจเปิดใจเอาต่อมากับวัน ล, ละดีนาลายุมีนูนส่วนบรรดาผู้ที่ไม่อีมานอ่าไม่ใช่พวกเราแล้วอ่าเนื้อเตือนเอ็งทําตัวอิมานก็ทําตัวไม่อีมานอ่ะถ้าไม่อีมานเป็นไงครับฟังคุรานแล้วเป็นไง ฟีในอาณาจิมมาจากอุจุนแปลว่าหูหูของพวกเขานั้นวักรุนแปลว่าหนวกหนวกฟังกคนอานไม่เข้าใจอัลลอฮฺอักบัร์เห็นไหมนี่อัลลอฮ์เล่าเองอ่ะแสดบางคนมุสลิมเรานี่แหละที่ไม่เอาศาสนามีไหม อินัลละลีนะกอลูเราบุญอัลลอฮแท้จริงคนที่กล่าวว่าอลัลลอฮ์เป็นเป็นรบของเรานะแล้วก็เขาก็ายืนยันเนี่ยกับคนไม่ยืนหยัดอ่านคุณอ่านก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะถ้ามันต้องยืนหยัดไม่ทำชีริกต่ออัลลอฮ์แล้วขออุนาต่อลอลลออัลลอฮ์จะให้ฉันได้เปิดใจฉันได้เข้าใจกุณอ่านด้วยเธอนะครับขอไปทุกวันทุกวันทุก ว, วันหลายๆเทีเ่ยวก็ขอนะครับ คนที่ไม่ศรัทธานั้นในหูอาลาเดวหูของภูเขานั้นว่ากุหนวกอหนวกไดีหรือไม่ไดี <c oughs> อยวต่อมาครับ <c oughs> วะหัวอาลัยฮิมอามาอมาไปวตาบอดและอัลกุรอานี้ เป็นม่านบังตาอาลัลลอฮ์ทำให้เขาตาบอดใช่ไหมไม่อ่านกุรานอย่างเดียวไม่อีหมานต่อ อ, อัลลอฮ์น่ยพื้นฐานคืออีหมานต่อ อ, อัลลอฮ์เพราะไม่อีหมานต่อ อ, อัลลอฮ์เนี่ยมองกุรานเป็นเรื่องสกปรกหมดเลยอ่ะเป็นม่านบางับงบังตาใช่ไหมทั้งที่กุรานเป็นศีลเป็นทรรนําถ้าไม่เอากุรานปั๊บเนี่ยเป็นไงครับ ที่หูของเขาหนวกและที่ตาของเขามีม่านบังตารู้ไม่มมองยังไงยังไงก็ไม่เห็นอิสลาม ม, ามองยังไงยังไงก็ไม่เห็นไม่เห็นอะไรซุนนะนะบีมองยังไงยังไงของดีในอิสลามมีเท่าไหร่ที่เยอะแยะไปหมดเนะ่ยมองไม่ถึงแค่ผ้าคุมียาเพียงไม่หละมุสลิม่าคุมียาเนี่ยไปด่าก็บอกถูกขดขีให้บังคับ มุสลิมาคุมมิยาไม่มีใครบังคับเขาคุมมียาเขากลัวแล้วแล้ววันนี้ปิดกันหมดเลยเพราะอะไรเพราะโรคระบาดนะ่ะแต่มุสลิมาน่ะคุมมียามาตั้งนานแล้วปิดหน้าปิดตา ม, มาตั้งก่อนโรคระบาดมาจะมากแล้ววันนี้ปิดกันหมดเลยทั้งโลกเราก็มองดูสิวันนี้ถูกเลยนะถูกทำให้ปิดเพราะกลัวโรคระบาดแต่เรานะี่ ถูกปิดเพราะกลัวอัลลอฮ์ฮัมเดลาชีวิตต่างกันวะนายตามกันอย่างฟ้ากัดินด้วยอย่างนีเป็นต้นนะครับยกตัวอย่างนะครับวะวะอะไรฮิมามาละอัลกุรอานี้เป็นม่านบางตาเป็นการเป็นการตาบออ่ล้วอีกอยูนาดาวนมิมมาเกนิมไบ เหล่านี้ยูนาดาวน์นนแปว่าเหลานี้ประนึงยูนาดาวนแปลว่าถูกเรียกมิมอาการจากสถานที่บใบดินสถานที่ไกลเหลือเกินคือคนที่หันหลังให้กับอลรรย์อย่างเดียวนี่นะไม่เข้าใจอะไรเลยเท่าอย่างหนึ่งอ่านกูนอ่านก็ไม่กระจายสุ น, นันดาบีก็ไม่กระจายการให้อภัยเป็นเรื่องร้ายแรงหมดเลย การงอคนก็เป็นเรื่องเสียหายเอาเงินเนี่ยภรรยาชาก็อู้มันเรื่องมันความรู้สึกอ่าเอาเอารมณ์มาเป็นที่ตั้งแล้วก็มองอิสลามเนี่ยค้านกับอารมณ์ตัวเองหมดเลยเอาต่อมากับอายาที่สี่สิบห้าวะลากะดาตนามูซัลกิตาบฟัคต์ลาฟฟี ول ول ا و ا ل ا و ل ا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منهم ب ي الله أكبر يعنى ما ولا ق د ر ت ا موسى كتاب فختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك ل ق ض ي َ بينهم وإنهم لفي شك من ه ُ مريب الحمد لله อัลลอฮฺเป็นเรื่องเอาประวัติในสมัยนบีมูซามาเล่าให้นบีมูฮัมมัดฟัง พวกมาเปิดหูเปิดตาคนในยุคนั้นนะที่ขวางนาบีมูซานรอดกันไหมล่ะแล้วก็คนที่ขวางนาบีมุฮัมมัดเนี่ยรอดหรือไม่รอดไม่รอดสักคนหนึ่งแต่อย่าลืมนะเองรอดเฉพาะบนดุลยาเท่านั้นเอาไปเลยบ้านชื่อเสียงตงําแหน่งเกียรติยศมีคนตอนหน้าตอนหลังเองได้เฉพาะโลกดุลยาโลกเดียว พอวิญญาณมาถึงกรหอยแบบฟาโร่โพูดว่าอามันดูฉันเชื่อแล้วว่าอาัลลอฮ์มีจริงพาอเห็นมอะไรก้างอะมาต่อไปครับวลกาก็อาไตนาอาไตนาแปลว่าเราได้ประทานประทานให้ห น, นะมูซาแกนบีมูซาประทานอะไรครับอัลกิตาแปลว่าคำพี อาพี่้องต้องใช้ปัญญาแล้วแหละคมพีที่อัลลอ์ให้กับมูสลามไม่ใช่กุรานนะคำพีอะไรเตาโราให้แก่ น, นบีอิสซาอินเจลให้แก่ น, นบี ม, ม, มุ hammad ุรานรูปอ่าคำพีที่มาจากชันฟาเนี่ยมีมาสี่เล่นมนะเดอะบิวเ ต, ตาราอินเจลุรานนี่อัลลอฮ์สานะ ให้อลัลลมาของสี่ศาสนาเนี่ยดูแลคัมภีร์ตัวเองให้ดีแต่สามศาสนาที่ผ่านมาไม่มีใครดูแลเลยแต่อุมมะของนบีพระมัดกลุ่มเดียวที่ดูแลคัมภีร์ของอัลลอฮ์ไว้คือคัมภีร์กุรอานมีเด็กคาฟิสทัวโลกมารู ก, กี่ร้อยล้านนีนน่เห็นยังครับ เอาเรื่องกินหมูก็เหมือนกันในคาเฟ่เตาโรมีพูดไว้อยากกินหมูแล้วก็ในอินยินก็พูดว่าอยากกินหมูหนึ่งฟังจากตะเก็นเมกในคาเฟ์กุลาหันก็พูดไว้อยากกินเนื้อหมูแต่ว่ามีอยู่กลุ่มเดียวอุมมะนบี ม, มุฮัมมัดเท่านั้นที่ไม่กินเนื้อหมูนอกกนั้นกินหมดเลยใช่หรือไม่ใช่ แต่เราเห็นอยู่นะว่าเนี่ยท่านคนที่รักษาศาสนามีอยู่กลุ่มเดียวว่านี่กลุ่มอุ ม, มาของนบีมฮัมมัดเท่านั้นคันงไปแล้วแต่งงานก็ตรงนึกเยอะแต่งกับใครดีอ่ะแล้วก็ทดสอบคุณกาแฟก็สวยคนก็สวยถ้าใจไม่ดีนะเองพลาดนะพอพลาดแล้วเสียใจนะถาดึงมามาอิสลามมันก็ห้มยู่ดีละ่ะปัญหาลูกอี่ละ่ะ อ่าเกินเลิกกลางคันลูกไปไหนอันอนโลโล่เครียดนฉะนั้นต้องนึกต้องขอดุกอาตอราระให้เยอะขอด้องมาให้เยอะอย่าตะกรับบุตอย่าเยอะยิงอย่าจอมหงอัลโลนะ่อัะบัตรนะอ่าเราแค่นี้พอครับ <c oughs> ว่าเาก็ได้ใจนามูซาลกีตาบโดยแน่นอนยิ่งเราได้ประทานคำพีแก่มูซาคำพีอะไรนะ ต่อรองอ่าฟักรถลาฟีฟักรถลาฟ้ฟีอิขาลาฟ้าป็ว่าขัดแย้งทําตัวขัดแย้งขัดแย้งกับคขัดแย้งกับคัมภีตอรองแล้วก็ทําตัวขัดแย้งกับนบีมูซาด้วยคนที่ขัดแย้งเนี่ยขัดแย้งกับมูซาขัดแย้งกับคัมภีร ถ้าเปปัจจุบันนี้ขัดแย้งกับสุนัขนบีแล้วขัดแย้งกับอัลกุรอานขัดแย้งกับฮะดีสแล้วคนนี้ทำตัวขัดแย้งนะ่ะเป็นยังไง ร, รือเปล่าเนี่ยเราเล่าให้ฟังนะว่าลาลกาเลมาตุนซาบาะลาลาถ้าหากไม่กาเลมาตุนโทษจะนา ซา บ, บกต์ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วไม่รบบบกจากก่าผู้อภิบาลของท่านลากคุรยาอลัลลอคงแน่นอนคงตัดสินในระหว่างพวกเขาไปแล้วอธิบายอย่างนี้อลัลลอฮ์เนี่ยวางกฎเอาไว้ใครที่ขวางนาบีอลัลลอไม่รีบลงโทษสบายใจไหมใครที่ขวาง นบีจะเป็นนบีอะไรตั้งแต่สมัยนบีคนก่อนนี่นะขวางนาบีมูซาอาลัลลอฮ์ยังไม่รีบลงโทษขวางนาบีมูฮัมหมัดอัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษดีได้ไม่ดีที่เปิดโอกาสเอาไว้เนี่ยนะหนึ่งให้ไปศึกษาหาความรู้แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองสองถ้าเปิดโอกาสแล้วประวิงเวลาแล้ว ดันทุรังนะต่อต้านนะเป็นการสะสมความชั่วให้กับตัวเองใช่ไหมฉะนั้นที่เอาล้อประเวงเวลาไม่เร่ยพก น, นี้เล่าให้ฟังนะตามกฎทั่วๆไปเนะี่ยลงโทษหมดตั้งแต่สมัยนบีบรอฮีมเรื่อยมาใช่ไมอ่ะทำไมจึงให้นบีสร้างเรือนะ่ะเพราะอะไรนะเพราะสร้างเรือเสร็จแล้วเรียกคนขึ้นเรือ อ, อีกใช่ไหม ไอ้คนไม่ขึ้นถึงตายใช่ไหมล่ะคนขึ้นรอดหมดเลยนี่ก็เหมือนกันนี่อัลลอฮ์กำหนดเอาไวนะ้น่ะคนที่ขวางอิสลามขวางอัลลอฮ์ขวา ง, Allah, วางรสูลหรือทำอะไรผิดบนโลกดุนยาไปนี้อัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษถึงเราด้กล่าวว่าวะลาอูาะกะลิมาตุนซาบักตมิรับบิกะลาคุบิยาใบนะฮุมในภาษาตับซออธิบายว่ามีตาขึ้นรทราบ ยังไม่คิดบัญชีคนที่ทําอะไรผิดบนโลกวุญญาณไปนี้อลัลลอฮ์ยังไม่คิดบัญชีไม่เหมือนเรานะเราจะเป็นเจ้าของกิจการกูไล่มึงออกคิดบัญชีเลยใช่ไหมแต่ของอลัลลอฮ์ยังท่ <c oughs> นานนบีอัลกุลลาฟเอาคําสอนของของของข อ, งอลัลลอฮ์ามาใช้บนเรือเลย น, นบีถูกดา่าแกแค้นบ่าวไม่แกถูกคว้าที่เมืองตออิฟ ถูกดา่าถูกดา่าถูกไล่คือมองตัวเองกี่ครัง้งสามสามแส ม, สา ม, สา ม, สามรายการน บ, บีให้อภัยอ่ะเอามาจากไหนและความรู้น่ะนี่งานจะไปอานอะไรนี่วาลาห์กาลมาตุนซาบักต์ซาบักต์ระวังล่วงหน้าถ้าไม่มีคําตัดสินล่วงหน้าเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าอัลลอฮ์จะไม่รีบลงโทษคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาอิสลามไม่เอานาบีในยุคคนก่อนหรือยุคปัจจุบันนี้ก็ตาม เนี่ยลอก ว, ว่ามกดเอาไว้แล้วเอาลก็รักษากดทังท่านน่ะ <c oughs> นานจะเล่นงานสักทีหนึ่งใช่ไหม <c oughs> ให้โรคโควิดมานี่ก็เป็นการเตือนเองเข้าหาเา้าอัลลอฮ์น่ะนึกถึงอลัลลอ์น่ะสูอยู่ต่ออัลลอ์น่ะเรียนศาสนาน่ะใช่ไหมแต่หลายคนไม่ยอมเข้าใจเองอะ่ะยังดันทุรังอยู่นั่นแหละก็เชิญก็ไม่ว่าอยู่แล้วเปิดโอกาสให้แล้วแต่ไม่ยอมที่จะปรับปรุงตัวเอง วาอินนาหุมแต่แท้จริงพวกเขาเหล่านั้นลาฟีชักกินอยู่ในความสงสัยคนกาเฟ่ทั้งหมดแม้แต่มุมินที่มีอังศาณาเนี่ยอยู่ในความสงสัยตลอดนะ <S <S ถ้าก็าสงสัยอยู่ก็ทั้งตายา ด, ดีไม่ดี <S <S อัลลอฮ์มีเปล่าวเนี่ยอัลลอฮ์เห็นเปล่าว่ะอัลลอฮ์ให้ สงสัยอ่ะแต่มาถามคนที่ศรัทธาตอลอดถามวาบาหนาบีถามนาบีเคลียหัวใจสะอาดหมดเลยฉันทำเพือ่ออลัลลออัลลอแต่คนที่ไม่เรียนอิสลามอย่างเดียวเนี่ยักอยู่ในความสงสัยตลอดจะทำบุญกูได้อะไรละกูให้อภัยภยังเสียหน้าไว้จะมานามาสุราไม่ได้ไว้อลัลลอชัก สงสัยสงสัยแล้วก็อย่างเดึงมูรีบุญแล้วก็ก็เรียก็ักเรียกว่าว้ า, ว, าวุ่นสับสนนั่องงานชีวิตเป็นแบบนี้หรือพูดง่ายๆกับคนที่ไม่มีอัลลอฮ์ไม่มีทางนำสาหรับชีวิตเขาอยู่ในสองเรื่องหนึ่งเรื่องสงสัยกับว้าวุ่น ถึงได้ฆ่าตัวตายกันไม่เห็นหยืนด่ากันกลางสภาเพราะอะไรนี่นะันทั้งที่ความรู้ต้องเยอะแยะมอนเดือดเป็นแสนๆนะแต่ทำไมทะเลาะ ก, กันด่ากันบ้านกลายกันกดยิงกันอะไรกันใช่ไหมเพราะชีวิตของเขาฟีชักกินอยู่ในความสงสัยมูรีบินอยู่ในการว่าวุ่นไม่สงบบ้าง นี <muitas> ่เห็นย <at> in <love> ังครับ <fe> น <Jean> ี <really painted vậy> ่พ่ออ่านพ่ออ่านหาความรู้เด็กอ่านสบายใจอัลลอฮ์ฮัมดุลิลเลาะห์จานั้นเราอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์ดับต้องเรียนนะมีภรรยาที่ดีอย่างซอบ้านนบีมีภรรยาเป็นยังไงนบีมีภรรยากี่คนน่ะสิบกว่าคนน่ะก็ทะเลาะกันไม่ละนี่รูปแบบที่ท่านที่อัลลอฮ์ที่นบีทาเป็นแบบไว้สงบเถียงตั้งแต่คำสองคำมันก็หยุดแล้ว อย่างนี้<ม>เพิ่มเติมโนบีนสัอะไรปรับเชื่อมหมดเลยอย่างเงี้ยความสงสัยความแคลงมีไหมไม่มีว่าวุ่นมีไหมไม่มีใช่นั้นเราต้องมั่นใจนะอิสลามอิสลามนี่เป็นทางนำสำหรับชีวิตเป็นยารักษาโรคเป็นชีฟ้าอุ่นเป็นขูดาด้วยสบายใจนะครับตกลงว่าประวิงเวลานี่ดีหรือไม่ดีอ่าดีเนี่ยเาประวิงเวลาเอาไว้นะ คือถ้าให้ประวิงเวลานะป่านี้ในะโลกปัจบนี่ฉม่าแล้วใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ให้มีแผ่นดินไหวเตือนมีโรคโควิดเตือนมีการทะเลาะกันเตือนมีการแข่งข้ากันเตือนให้รู้เลิกซะนะอย่างนี้เป็นต้นและแผ่นดินไหวทุกวันนะรู้บ้างไหมสุญญาจะไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นเอาต่อมาครับอายาที่สี่สิบหก من ع م ِ لصالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلم العبيد من ع م ِ لصالحا فلنفسه ว أَسَاءَ ف ب ب ل ل َ عليها َََْ وما َ ربك ََُّ بظلام ََِ إلا ل ِ ب ِ ي أ ยันี้ปรอบใจคนทำความดีจะไปแอบทำความดีที่ไหนก็าตามความดีเป็นของคุณคนเดียวไม่ได้ไปหา ไม่ได้เข้าบัญชีคนอื่นมีบัญชีคุณโดยเฉพาะสบายใจไหมดูสับมั่นแปล ว, ว่าพูดได้อามิ ล, ล่าแปลว่าทำกระทำหรือทำงานซอลิฮันงานที่สละที่ดีฟาลีนับซีได้แก่ตัวของเขาเองสบายใจปะอะไรที่คุณทำเป็นความดีต้องเพื่ออลัลลอน่ะ ถ้าเพื่อมนุษย์เดี๋ยวอัลลอฮฺจะส่งคนมาชมถ้าเพื่อเกียรติยศอัลลอฮฺก็จะส่งเกียรติมาให้คุณบนดุลยานี้เลยถ้าคุณทําเพื่ออะไรฉะนั้นถ้าทําเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อไม่ใช่เพื่ออัลลอฮฺนะอัลลอฮฺให้เห็นบนดุลยานี้ก่อนตายครับแต่ถ้าทําเพื่ออัลลอฮฺนะต้องใจเย็นเย็นต้องใจเย็นเย็นเดี๋ยวอัลลอฮฺจะค่อยๆส่งรางวัลมาให้ แต่รางวัล น, นั้นยิ่งใหญ่ก็คือเข้าสวรรค์นุ้นเป็นรางวัลที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดและอาสาบูโบก็ไม่มีด้วยนี่คือรางวัลฉะนั้นทาความดีจะทำคนเดียวไม่มีคนเห็นอัลลอฮ์ก็คิดบัญชีให้มันอามีเลาฟอรหฮัมฟาลีนัฟซีสบายใจไหมเอาท่องให้จำเลยอยาญาณีวันนี้ใครที่ทาความดี ความดีนั้นได้แก่ตัวของเขาเองอต่อมาครับวามันอาซา อ, อาอาซาไปบอกความชั่วและผู้ใดที่ทำชั่วฟาไร้หามันก็ตกแก่ตัวของเขาเองตกกับมันเองตัวงว่าเอาละเอ่ยนะก่อนเอ่ยความดีก่อนด้วยกันปลอบใจผู้ศรัท ธ, ธาตอนหลัไปทำบุมรอนถ้าทําเพื่อ เพื่ออัลลอ์อัลล์ให้รง า, า, างวัลตอบ่านผู้อวดคนโอ้อัลลอฮ์ให้ให้คนมาชมคุณะฉะนั้นสำคัญนะเนียดเพื่ออะไรเนียดต้องสอนและต้องทำเพื่ออัลลอหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์องเดียวใครจะชมไม่ชมฉันไม่แคร์นะแต่เราก็ทักทายกับคนทุกๆคนเป็นมารยาของท่านนาบีให้ไหว้อยู่แล้ว ว่ามารบบุกะไล ظلم ลรือละไป ظ ามแต่ว่าอธรรมมารับบุกะพระผู้อาภิบาลของท่านเนี่ยไม่อธรรมลรลอาบิดแกอาบิตแปลว่าปวงเบาอัลลอฮเรียกมุมิมก็เบาคนกาฟเฟก็เบาหมดเลยนะเรียกเรียกฟารโรก็เบาด้วย ให้เกียรติวันแรกอ่ะเป็นบารถทุกคนอย่างนี้เป็นต้นนะครับ <c oughs> ผู้ใดกระทำการดีดังนั้นก็ได้แก่ตัวของเขาเองแต่ผู้ใดกระทำชัว่วดังนั้นก็ตกหนักแก่ตัวของเขาและพระผู้อภิบาลของท่านมิทรงอาธรรมต่อปวงเบาของพระองค์แม้แต่ น, อนอ้อยอัลฮัมดุลิลลต่อมาอายาที่สี่สิบเจ็ดนะครับ <c oughs> إليه يردُّ المُسَاعَةُ وما تخرج من س م َ ر ا ت ِ من أخمَمِها وما تحمِلُ من أ ن س َ ا ء ولا تضعُ إلَّا بعلمِه ويوم ينادِيهِم أ อ้หน้าชูรกาอีโควลูอาจันนาค์มาไม่น ي ามินซ์จีดอิละอ م หิยูรดูอ م มุสซาห์และว่มทั้มิซมรติมิอคมามิฮ บมา ت มลุ م อุนซาวล ا ت ะ ضع อ ل ลลาด้วยอัลมิ ا د วายอมยุนัดิห์ُไอ้นุรักَิกาลูอาดันนาค์มَมินนามนี่ เอาละเปลี่ยนเรื่องคุยแล้วให้นึกเพราะเราไม่เห็นเอาล้อเนนะี่ยกลัวว่ามนุษย์เนี่ยจะสับสนนะเรื่องแรกคือเป็นอย่างี้ความลับเนี่ยนะในโลกนี้เนะี่ยมีอยู่ห้ารายการนี่พูดถึงความลับก่อนนะเอาล้อไม่เผยให้ใครรู้รนั้งหมอดวงหมอดูไม่มีครับแต่คนเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เพื่องหมอมันหมดนะ คุณหมอดูสบายใจแันก็พูดจาดีสบายใจนะผิด <c oughs> หนึ่งเมื่อไรจะถึงวันกิยามาไม่มีใครรู้สองฝนตกเนี่ยลมพายุมามากน้อยแค่ไหนอไอที่พยากรณ์อาการนี่ผิดก็เยอนะหน่ <c oughs> <c oughs> เรื่องที่สามสิ่งที่อยู่ในคันมันดา เริ่มประจำเดือนขาดนะรอรู้แล้วนะไม่ใช่ไม่รู้ต้องบอกผู้หญิงด้วยเอาล้อเนี่ยเอาล้อคือประจำเดือนขาดใครกำลังมีลูกเอาลูกหญิงชาขอทุเอาให้ลูกสอนแรกต้องขอดุเอาท่านขอทุอ่านี่ยหยุดไม่ได้แล้วว่าระหว่างที่ภรรยากําลังตั้งครรภ์อยู่เนี่ยอย่าห้ามเล่นไพ่อ่ะให้ทําอะไรให้อ่านกูรอ์อาซิครุลอดนามาดยาขาด อย่าดินทากคนเพราะว่ามันซึมไปถึงลูกอยู่ในท่อมากทัดจึงให้เรียกแต่งงานกับผู้หญิงที่มีศาสนาเพราะอะไรเพราะอย่างงี้ไงัมดินแล้วต่อมากับข้อที่สี่พรุ่งนี้คุณจะทําอะไรพรุ่งนี้มาถึงวันพรุ่งนี้เดินหน้าปีหน้าข้อเรื่องที่ห้าคุณจะตายในแผ่นดินไหนไม่มีใครรู้เอาเราเก็บความลับมาให้รู้ถ้ารู้เครียดนะ่ะรู้วันตายเครียดไหมอะ่ะ อาล่ะแค่รู้ว่าเป็นดวงมะเร็งจะตายอย่างเครียดเลยอย่างนี้เป็นตัวจากนี้เอามาดูอุไรที่ยังพระองค์อยู่รอดดูแปลว่าอ้างกลับหรือว่ากลับอินมุษะอินมุนดาวะาความรู้อัษฎาเดิมแปลว่านาลิกาแต่ตรงนี้แปลว่าวันสิ้นโลก ความรู้เรื่องวันอวสานความรู้เรื่องวันสิ้นโลกนั้นต้องกลับไปหาอัลลอฮ์องเดียวสบายใจไหมชับมีไหมสงสัยมีไหมว่าวุ่นไหมไม่ว่าวุน่นสบายใจเรามหมกไปกับอ AH, ัลลอฮ์เพียงองค์เดียวสบายใจรวยจนมาจากอัลลอฮ์ทามดุลิลลาสุขภาพแข็งแรงไม่แข็งแรงมาจากอ AH, ัลลอฮ์จัดดูง ต, ตัวต้องดูแลนะ่ะ ยิ่งอายุเยอะๆอย่างนี้อย่างผมเนี่ยจ็บปดสิบเนี่ยต้องดูแลสุขภาพอ่ะอย่านอนดึกแล้วก็ต้องเลือกอาหารทานอย่าโมโหให้อภัยคนเยอะๆเอาสุนัขนบีมาใช้สุขภาพแข็งแรงหมดครับกิงโมโหเยอะๆเนี่ยดีหรอโมโหมะรเพียโมโหภริยาโมโหคนนั่นโมโหคนนี้นทำผิดหมดเลย แล้วก็แย่ก็แย่กับตัวเองอ่ะเอ๊ะทำไมฉันทำมันฉันแย่ทำไมฉันแย่ก็เองทําผิดไงปศุนาณบีเองวางไว้ไม่เอาเข้าบ้านฉันฉันไม่เรียนสุนัขนาบีสุ น, นัขนานบีให้อภัยคนบริจาคดูแลญาติพี่น้องเขาด่ามาทําไมได้ยินใช่มเราติดสิรุลล้ออ่านกรุรานแล้วก็ขอดูอาสม่ําเสมอนี่สุนัขนานบีทั้งหมดนะ ทำไมต้องพูดยามไปยา ม, มาเพื่อเตือนเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอิไลยาลุดด้วายมุสะความรู้เรื่องยามอาวสานหรือวันสิ้นโลกนั้นต้องอ้างกลับไปหาใครอิไลยันอัลลอฮ์รุดดูแปลว่าอ้างกลับ อ, อยู่ที่อลัลลอฮ์องเดียวข้อที่2เป็นความลัดอีกนะวามะตาครูจู มินสัมรอดมินอักมามิฮาสัมรอดเรยวผลไม้ตาครูจูแปลว่าที่ <c oughs> งอกออกมาไม่มีผลไม้ใดที่งอกออกมามินอักมามิหาอยู่ในเปลือกของมันได้อยู่ในฝักของมันเราไม่รู้ มเมล็ดใช่ไหมล่ะทันมงอกอยู่มาอยู่ในดินเราไม่รู้หรอกแต่อัลลอฮ์รู้แล้วตอนนี้ถักโตจะเริัวโ ต, วตวจะมีลูกกี่ผลจะตายก่อนไหมอะไรไหมอัลลอ์รู้แล้วนี่เล่าให้ฟังเองอย่าตะการบดมอบชีวิตของเราไว้กับอัลลอฮ์ให้หมดเดินตามแบบที่ท่านนาบีทำเป็นรูปแบบไว้นี่เล่าให้ฟังว่า แม้แต่ผลไม้ที่ออกที่ต้นเนี่ยนะอยู่ในฝักของมันก็ดีอยู่ในเปลือกของมันก็ดีนั้นอัลลอฮ์รู้หมดเลยแต่ความลับของเราเนี่ยมีเท่าไรก็ตามแต่อัลลอฮ์รู้หมดนึกในใจอัลลอฮ์เดี๋ยก็รู้แต่จะแฉหรือไม่แฉอีกเรื่องหนึ่งอย่างนี้มันต่อมาครั บ, าบวามาตัฮมีลูมินอุนซาตัฮมีลูแปลว่าอุ้มคัน มาไปว่าไม่มีอุสาผู้หญิงไม่มีหญิงคนใดที่อุ้มคันที่อัลลอฮ์ไม่รู้มีไหมไม่มีครับเรื่องที่หนึ่งวันเกียรม์มาเมา่อะไรอัลลอฮ์รู้ผลไมท้ทิงอยู่ในฝักของมันอยู่ในเปลือกของมันก็ดียังไม่โผล่ออกมาเนี่ยอัลลอฮ์ก็รู้ผู้หญิงที่ตั้งคันตอนนี้ได้ สเดือนอยู่ในคันอลัลลอฮ์รู้แล้วจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่เตือนให้รู้ว่าเอ็อย่าตะกับบทยาเ ย, ย่อยิงกูแน่ไม่ใช่อลัลลอฮ์บริหารจัดการเรื่องในทอ่อกูด้วยอะต่อมาครับวาลาตาบ้าโแล้วก็ที่คลอดออกมาตาบ้แปลว่าคลอดอลัลลอฮ์ก็รู้หมดว่าจะคลอดมาไอไรวันที่เท่าไรกี่โมงกลางวันเรื่องกลางคืน โรงพยาบาลไหนอันลลอฮ์รู้หมดแล้วเองไปฝากคันที่ไหนรู้หมดต่อมากับอิลล์เบียลมีนอกจากอยู่ในความรอบรู้ของอัลลอฮ์ทั้งหมดแล้วกี่รายการหนึ่งวันเกียมะสองละมาที่อยู่ในฝักที่อยู่ในเปลือกสามผู้หญิงที่อุ้มคันแล้วก็จะคลอดเมื่อไหร่ จะไม่ได้เป็นตนนี่เร า, าให้ความเมตตาเราให้หมอมาใช่ไหมอะไรตาอะไรเนี่ยที่ความสะดวกหมนเลยเนี่ยถ้าใครคิดถึงพรรามพอตั้งได้ชื่อมาชื่อไอ้เบิร์ตนึกถึงไอ้เบิร์ตมาร้องเพลงเก่งเฮ้ยเอ็เองคิดอะไรวะมีอะไรอีกคนหนึ่งมาเยี่ยมผมนี่ ขึ้นบันไดโซรเนีก็ถามผมว่าถ้ามีหลาจะเชื่ออะไรซุมหะมั น, มนกถึงน บ, บีม ห, มนหนา ม, มานนู้นรอกถอบดุบาการอุมาอุมสานขึ้นบันไดตรงเนี้ยคุยกับผมผมแคคิดเดยอะเออลยนคุยกับคนดีมีอาเมอลมอุลามน่นะ ได้ความรู้เยอะ ม, มากเลยทำให้ทักเตือนเราะเราอ่านคัีร์เมื่อกียังไม่เข้าใจก็คุยกับคนนี่มันทําให้เราเข้าใจศาสนาเพิ่มขึ้นเอาต่อมาครับวายามายยนาดีหิมยาวมากแปลว่าวันซึ่งมีอยู่วันหนึ่งเอาเออเลยก็ได้วันกิยามยักโยนาดีหิมถูกเรียกร้องถูกเรียก จะไม่อยู่วันหนึ่งอลัลลอฮฺจะเรียกไอนาชูรอกาอีสิ่งที่พวกท่านตั้งพาคีนะ่ะอยู่ที่ไหนพามาหน่อยเอา้าทำเพื่อเงินพาเงินมาทำเพื่อชื่อเสียงเอาชื่อเสียงมามาดูหน่อยทำเพื่อตำแหน่งเอาตำแหน่งมา ทำอะไรก็ ต, อต่อแต่ไม่ใช่ทำเพื่ออัลลอฮ์นะเรียกมาให้หมดมาช่วยคุณนะตอนนี้คุณละบากแล้วนี่เตือนกณอ่านเตือนไอ้นาชูรกรา อ, รอีอัลลอฮ์ประกาศคนที่ทำงานอะไรก็ตามบนโลกดุนยาใบนี้ทำแล้วไม่ใช่ทำเพื่ออัลลอ์เนี่ยเรียกมาให้หมดเชิญมาให้หมดมาช่วยคุณเพราะคุณกำลัง อยู่ในความลงบาก่จะถูกจับลงทั่วอยู่แล้วเนี่ยจะจับโยน์นรก อ, อยู่แล้วเนี่ยเห็นมแฉะนั้นอย่าเชริกต่ออัลล์อย่าทำอะไรเกินคำสั่งของอลัลลอฮ์ใครจะตำเนเชชนฉันจะทำแค่นี้แหละเอาต่อมาครับก็ต่อว่าไง ร, รู้ไ้มกอลู พวกเขากล่าวว่าอาดนากะอาดนากะภาษาหะดิษตับซิบอกว่าอาลมนากะเราขอแจ้งให้อัลลอฮฺทราบว่าเราขอทูลต่อพระเจ้าว่าเราขอรายงานให้ท่านทราบว่ามามินนามินชัยไม่มี มินนะจากพวกเราชสหิตพยานจ ะ, จะเอาพยานมาเนี่ยนะไม่มาแล้วยอมรับแล้วใช้ขอสารภาพต่ออัลลอ์ว่าวพยานไม่มีค่าชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศที่ทำบนโลกดุนยาไปยอมรับว่าช่วยไม่ได้ครับเห็นไหมของที่ช่วยได้ให้ทำเพื่ออลัลลอ หวามรางวัลตอบแทนจากอัลลอเห็นยังครับนี่หายใจบริสุทธิ์สะอาดทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจสะอาดใจอัลลอมีพ่อเลี้ยงพ่อพ่อมีแม่เลี้ยงก็ต้องไปดูแลเขาว่าผลและผลเอาจากอัลลอฮนู่นน่ะตอนนี้บางคนห้ามแม่เลี้ยงเข้าอะไรอะให้พ่อเขามีความสุขนึกตรงนั้นไม่ได้เหรอ ให้พ่อมีความสุขใช่ไหมเร า, เาทำดีเลยเราหวังราวันตอบแทนจากรวนรดถึงเนี่ยยออบิดีเนี่ยชาวแวะหลังจากจิ ก, ก็อเสียชีวิตนะผ ม, มตามนะมึงรูง้งรีวะไปหาคนมาแตง่งงานให้ชาวแวรมั้ยมาถามทำไมอ่ะใเขามีความสุขอ่านเหตยังมากสงสารพอ่ออย่างเงี้ยรางวันมีไหมแน่นอนครับ เป็นห่วงพ่อให้พ่อได้แต่งงานสร้างบ้านให้าอยู่เอาเงินให้เสิลูกมีแปดคนคนละหาร้อยอะไรมาเอาไปมันต้องอย่างนี้นี่คือหลักอิสลามใจตรงความสงสารคนเมตตาคนเดินเอาอะไรนะเอาสุนัขนะบีมาใช้เอาคุรอารมาใช้ในชีวิตประจำวันเอาแต่แค่นี้พอต่อมาอายาที่4ี่ครับวะดลอันหุม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 อัลลอฮอักบดรลากะห์ุราในเคลียทุเรื่องชัดเจนไม่มีข้อสงสัยคนที่ไปเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮไปขอสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮเป็นไงครับดอลลาอันหุมดอลลาแปลว่าศูญหมาย อันหุมจากภูเขาหายหนะ้าไปหมดเลยนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังเป็นเรื่องจริงจึงทําอะไรไว้บนลงนุยาไ ม, ไม่ไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์นะทำเพื่อนู่นเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อเพื่ออัลลอฮ์เรียกว่าไอนาโชรกาอยู่ไหนอะโผล่หน้าฉันเห็นหน่อยสิ <c oughs> นี่อัลลอฮ์เล่าเองดอนลาอันหุมสูญหาย ไปจากพวกเขาหมดแล้วเล่าให้นบีฟังให้นบีมาสอนชาวอารเฉ็นทำงานไม่ใช่เพื Allah เ่ออัลลอ์นะขาดทุนเห็นยังครับอยู่ในโนะุราอะไรเนี่ยโซราฟุสซเลตอายาที่สี่ดดอลลานหุมไม่ใช่พูดครั้งเดียวนะพูดหลายครั้งนะผมยิเกศจะเชค็คว่ามีพูดอีกครั้งนั้นแห ล, ละะดอลลานหุแล้ว่าหายหน้าไปหมดแล้วเอามาสิ เพื่อเพเพื่อเไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวน่ะหายหน้าไปหมดเลยแตอย่าลืมนะไม่เอาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เพลินนี่เห็นยังไม่เอาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้หลงเอาเงินไปเอาชื่อเสียงไปตำแหน่งไปมีคนตอนหน้าตอนหลังกูไม่เอาอัลลอฮ์ก็อยู่ได้ได้ใช่ไหมก็อัลลอฮ์ให้บนดุนยานี้ไงแต่พอตายปั๊บจบถึงฟาราว่า อ่ามันถฉันเชื่อแล้วว่าอัลลอม์มีมลายิกามีจริงครับของเรียนับบีมูซาสอนเป็นเรื่องถูกต้องครับพูดทั้งนัเพาะอัลลอ์ให้เห็นน่ะดังนี้เป็นต้นเอาต่อมาครับมากานูยาดาวนามิงกอบลมากานูสิ่งที่พวกเขายาดานเรียกร้องบงเล็บนะ บนโลกดุนยามิงกอบเลือดแต่ก่อนนั้นสิ่งที่พวกเขาเรียกร้องขณะที่อยู่บนโลกดุนยาแต่ก่อนนั้นหายหมดแล้วรูปจเวดช่วยได้บ่าต้นกล้วยไปบูชากันนะ่ะเอาออกมาต้นไม้อะไรต้นโตๆเอาผ้าเขียวผ้าแดงไปพันเชิญนะออกมาด้านลาาห่วงไปอะไรรู้ไหม นีมหมดแล้วนี่อัลลอฮ์เล่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนี่สอนรังรัง่องอกีดาใช่หรือไม่ใช่อธิบายแล้วอธิบายอีกเตือนแล้วเตือนอีกจะมีตัวต่อมาครับวาซอนนูมาลาหุมมิมมาฮิซอนน่าวาซโ น, นเบเชื่อแน่แล้วไปเชื่อนู่นน่ะฟื้นขึ้นมาจากกูโบ ไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺอัลลอฮฺวะอารูปจะเจวติคุณบูชาอยู่เรียกมากจมาช่วยเนะี่ยวันนั้นไปเชื่อแล้วว่ามาละหุมมิมาให้หลบหนีไม่ได้แล้วตัวเองจะหนีไงหนีจะไม่ให้ถูกลงโทษนะหนีรอดไหมพวกเขามั่นใจเลยว่าตัวเองก็หนีไม่รอดไอ้ตัวช่วยก็ไม่มีแล้วจะหนีไปไหนทุกคนต้องเกิดหมด ตายเท่าไร่เกิดเท่านั้นไม่มีไม่เกิดไม่มีครนอกจากแพะจะอัวกควายอาจจะไม่เกิดแต่คนนี่นะตายเท่าไหรเกิดเท่านั้นแล้วเราจะให้เห็นผลงานหมดเลยถ้าผลงานดียิ้มออกถ้าผลงานไม่ดีเป็นไงอ้าว mm hmm. อาลัลลอฮ์จ้าฉันหมดท่าแล้วฉะนั้นเชื่ออลัลลอฮ์ปฏิบัติตามอาลัลลอฮ์ ราอยู่ในยุคนบี h a m m a เชื่ออัลลอฮปฏิบัติตามสุนานะนบีเท่านั้นในต์เซลอธิบายว่าดอลละอันหุมอธิบายสามอย่างนะแปลว่าวาบาอันหุมสูญหายไปจากพวกเขาข้อที่สองลายามัมฟาหุมพวกเขาไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลย ตับซินอธิบายนะดอนลุนมีสาความหมายหนึ่งศูนย์หายไปจากพวกเขาสองพวกเขาไม่ได้รับประโยชน์สาพวกเขามองไม่เห็น <c oughs> อยู่บนตุญยานเสาเห็นนะนะพอไปวันเกว่าหายหมดนตับซินไบยบวีอิกุกซีดหลายหลายเล่มอธิบายผมก็เช็คดูเออดอนลดดอนลูอนนาแปลว่าอะไร ศูญหายไปจากพวกเขามีสามความหมายว่าบานผมศูนย์หายไปจากพวกเขาพวกเขาไม่ได้รับประโยชน์สามพวกเขามองไม่เห็นตัวช่วยเลยไม่มีสะตอนก็นหายด้วยตัวยุอะอ ย, าายุดามันเลยดามันเลยอ้าเอามาสิตัวช่วยอะหายหมดนอกจากคนที่ทำงานเพื่ออารมณเขา ต่อมายาที่49ยสุดท้ายลายัสมุลายัสมุนอินซานุมินดูอาอิลขัยร์วอิมมัซฮุสชัรฟายอกนต ลายสอัมลินซานุมิน دعاء อิลข้อิรว่อิมมัชฮุชารุฟัยอุซุงกันุตาอายเนี้อัลลอฮาเรื่องนิสัยของมนุษย์อัลลอฮพูดอินซานแต่มัสับเลอินซานแปลว่ามนุษย์ ไม่ใช่มดมินไม่ใช่กาเฟนบนนุษทั้งหมดฮิวแมนบีงที่อยู่บนโลกเนี่ยเซเวเซวนอะไรว่นเซเวนเจพันล้านนะ mm. คิดอะไร mm. ดูกนอันนี้ลายาสอาโมแปลว่าไม่เหนื่อยสายลายาสอาโมแปลว่าไม่เหนื่อย mm. คือเราผ่านมาแล้วใช่มาก มาทิตที่แล้วเนี่ยมาลายิกาเนี่ยไม่เหนื่อยแต่เราเหนื่อยเราขึ้นมาตะหยุยเหนื่อยให้อภัาายคนเหนื่อยมันฝุนอารมณ์อ่ะทำอะไรเหนื่อยหมดเดินมามัสยิดก็เหนื่อยขับจักรยานมาก็เหนื่อยไอ้เหนื่อยนี่มีรางวัลถ้าเราทำเพื่ออารม์แต่มาลายิกาเนี่ยทําอะไรไม่เหนื่อยเลยทีนี้วันนี้อัสซัปยังมาใช้กับ ลายสอมุลอินทร์มนุษย์ทุกคนในโลกนี้เจ0 0พล้านคนนั้นไม่เหนื่อยในการอะไรครับมินด์วาต่อการขอต่อการขอเรื่องขอและยกให้มนุษย์ <c oughs> เรื่องให้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีใช่ไม่ใช่เรื่องขอเนี่ยเอาหมดเรื่องให้ไม่ค่อยมีใช่ไหมเอาจงจริงด้วย ให้เราคิดเอ้วมืวานก็ให้แล้วนวันนี้ก็ให้อีกโอ้โหให้ไม่บหวไม่ได้แต่ขอเอาไหมเอาขอข อ, ขอแล้วครับอราขอขอความดีนี่นิสัยของมนุษย์ทั่วโลกไม่เหนื่อยไม่เบื่อต่อการขอความดีอยากได้หมดนะแก จ, จะตายอยู่แล้วอยากให้สุขภาพแข็งแรงมันจะเป็นจะได้ยังไงอะ แกแล้วจะจะให้ผู้หญิงสาวๆมารักมันต้องนึกอย่าไปคิดคิดเรื่องมาตะคดจุดนู่นมันต้องคิดเป็นน่ะอายุแค่นี้คิดเรื่องอะไรอายุแค่นี้คิดเรื่องอะไรอ่านกุรานโอ้มันต้องนึกนึกนึกนึกนึกนึกตอนนี้เ l าเล่าะนิสัยของมนุษย์เดิมเดินเป็นอย่างนี้ลายอัมุลอิสซาโนมินคอยมินดวอาอิลขอย มนุษย์ไม่เหนื่อยต่อการขอพรเพื่ออาจารย์เด็กแปลเดชงบอยากได้อยากได้นู่นอยากได้ น, ดนี่เป็นทั้งที่มีอยู่แล้วนะเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมเพิ่มนิดนก็เพราไม่ด้นินนนนนนสัยมนุษย์เราต้องน้กคุณไม่ได้ให้ใครเลยเอาล้อให้ทังเยอะนะให้นู่นมาให้อนี้มาได้มาแล้วขอบคุณเอาล้อ ย, อยังไงอะ ขอคุณขอคุณนไม่เป็นคุยโต อ, อีกอ่ะกูแน่กูเก่งอะ่ะเออเอาแต่มาใช้ชีวิตคุณอะ่ะฉะนั้นมนิสัยมนุษย์เดิมๆเจ็ดพันล้านคนนั้นต้องการขอหรือว่าเพื่องบอยากได้ความดีเพิ่มอยู่ตลอดเวลานี่นิสัยถ้าขอสวรรค์ดีไหมอ่าดีอ่านกุณอ่านดีไหมดี ขอมานี้เราได้มีกุฎอานกุฎิอ่านกุฎิอ่า น, นสม่งเสมอขออ่านเนี่ยเดินทางมามาืสยิ้นแต่ให้อภัยกับพี่น้องของเราเด็กที่รู้แล้วขอเรื่องนี้ที่จะไปขอเร้องวัตถุทำไมเอาต่อมาครับว่าอิมมาสหุชารุแต่นเนี่ยพูดเรื่องการขอนี่บางคนนี่นะเขดับผู้ใหญ่จะได้เงินนี่ต้องดูหมอก่อนอะ ถ้าได้เงินนี่ต้องได้วันไหนน่ะก็ขอความดีถ้าขอผิดน่ะใช่ไหมนะต่ขอจากหมอดูอย่างนี้จบร้อยไหมเราต้องนึกโอนี่ขอผิดขอจากดูยามแล้วก็ดูแรดูเร่อโอ้โหจะแต่งงานเนี่ยอยากให้อยู่กันสบายสบายไม่ทะเลาะ ก, กันต้องไปหาหมอดูใช่ไหมต้องดูยามอีกนั่นละชื่อเรียกหมดเลยน่ะ แต่เพลินไหมเพลินครับอร่อยอย่างนี้เป็นต้นนิสัยของคนอยากได้อะไรเพิ่มเพิ่มเพิ่มเป็นความดีอตอมาวิมมาซาหุชัลแล้วก็ชัรุนแปลว่าความชั่วมาซาแปลว่าเกิดขึ้นเมื่อความทุกข์ยากเนี่ยเกิดขึ้นมาซาเดิมแปลว่ากระทบภาษาเดิมแปลว่ากระทบ ใครกระทบผู้หญิงเสียน้นาําน้ำบาดนี่ทัศนคติขออิหม่ามชาติอย่างีแต่ของนบีเนี่ยไม่เสียถูกผู้หญิงไม่เสียน้นาําน้ำบาดอิหม่ามมาลรกว่าถ้าตั้งใจกระทบเสียแต่ข อ, ของนบีไม่เสียนานนบีไม่กระทบใครอยู่ด้านเจ้าพรยาตัวเอง ยาอูดเขาทอถอยใช่ไหมหมดอะไรตายอยากกูจะตายแลลวมีปัญหาเดือดร้อนก็นมาเครียดนิ่นินสัยเดิมๆของมนุษย์ ม, มุเมีนทำงี้ได้ปะอย่าเวละเครียดเข้าหาใครก่อ น, อลล น, นเนอนาล้อนู่นไปอัปนันนามาซะมันนามาสองเรากระดก่อนแล้วขอนูญาต่อนะไม่ใช่เครียดนั่งอยู่เฉยเอาเชื่อมาผูกคอ นั่นมันคนกาแฟก็าถามกาันฉะนั้นเวลาเครียดต้องนึกถึงอลัลลอฮ์ต้องขอดุอาต่ออลัลล์เรื่องยายนะ่าเรื่องขออุดาวอัลลอ์จะใช้กกำลังมีปัญหาเดินร้อนช่วยแก้ปัญหาให้ฉันหน่อยล้วก็ต่อมากับกวนูตุนหมดอะไรนี่นิสัยเดือๆเดือฉะนั้นคนมุสลิมจะหมดอะไรท้อถอยมากไม่ได้นะ ตนึเราทดสอบฉันฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าต้องนึ ก, กน่ฉันทำอะไรผิดหรือเปล่ า, นนน เ, ลาเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเมื่อสองปีที่แล้วเมื่อสิบปีที่แล้วโอ้โหต้องนึกการทดสอบครั้งนี้เนะี่ยอมานเพิ่ม อ, อ, อมานลดต้องนึกอย่างนี้เป็นตนผมเป็นเป็นเก้าทุกๆุสามเดือน ผมนึกทุกทีทำอะไรผิดหรือเปล่าก็ผิดเนะี่เขาห้ามกินนู้นกินนี่ก็ไปกินนี่แ้ต้องรู้ตัวนะต้องยอมรับแต่ไปโรคโควิดด้วยแล้วก็ต้องกักตัวนะขอบคุณเราอป็ลน์โรคโควิดอนะ่ะเราต้องการไม่ให้ออกข้างนอกมากต้องนึกในทางที่ดีอย่านึกในทางในทางไม่ดีตาหนิตัวเองอย่าดีเป็นตัวตัวล้วว่าอายั สี่สิบเกา้านี่อัลล์เล่านีไซนของมนุษย์ใช่ใชหรือไม่ใช่หนึ่งมนุษย์เนี่ยอยากงกอยากได้ของดีๆเพิ่มขึ้นกระทั่งตัวเองทรยศต่ออัลลอ์แต่เรื่องที่สองเนี่ยเวลามีความทุกข์เดือดร้อนนะเครียดแก้ปัญหาไม่เป็นเข้าหาอัลลอฮ์ไม่เป็นสุญญูดไม่เป็นอาบน้ำนามาดไม่เป็นอย่างนี้เป็นต้ น, นลืมสุนันาดีหมดเลยก่อนจะจบ วันที่น บ, บียึดนครมักกันได้น บ, บีให้ซาฮาบะคนหนึ่งชื่อซาดิบเนยอุบะดาถือธงแล้วก็ให้คนเข้ามายึดคนครมักกนันก็เสร็จแล้วว่าคนที่ถือธงเนี่ยพูดบอกว่าอัลยามยาวมุลมัลฮมะวันนี้เป็นวันทาสงครามง แก้แคนเพราะว่าอย่างนี้อาหรับมุชลิมก็กลัวมานาบีได้ยินนบีพูดว่าไม่ใช่อัลยาอมยามุล ม, รมัรธะมะเปลี่ยนจากตัวลามมาเป็นตัวรอ ม, รมัทธะมะแกว่าทําสงครามแก้แคนส่วนมัทฮะมะเนี่ยแปลว่าวานันแห่งความเมตตาอภัยโทษไม่ไม่มีการสงคราม แล้วก็นบีก็เปลี่ยนท่านสะอัดซึ่งเป็นพ่อให้ลูกชายมาถือธงแต่แขนคืออิสลามเนี่ยนบีเนี่ยเป็นห่วงไม่ให้คนมาดูถูกอิสลามเราเองเหมือนกันต้องปกป้องอิสลามอย่าให้ใครมาํำในอิสลามผ่านเราเองเป็นตัวที่ทำให้อิสลามเนี่ยเสียหายเพราะน้ำมือเราเนี่ยอย่าทานบีเนี่ยให้ขุศน่านาบีที่นบีทำทำเอาไว้เนี่ย ก็เอามาคิดมาใช้ปัญญาด้วยเอาล่ะทำไมนบีพูดว่ายาวมุลมัดทะไมเพราะจะปลอบใจคนกาเฟ่เพราะเรายึดนครมักกะได้แล้วจะฆ่าใครก็ได้ใช่ไหมแต่อเมริกาไปยึดอิรักเนี่ยไปฆ่าซาดามุเซน่ะมันก็ต้องนึกอ่ะแต่วันนี้เอพูดเรื่องการเมืองนิ่อย่งยูเครกับใครนะรัสเซียทำไมคนรวยวายเพราะมันนผิวขาว ผิวขาวถูกรังแกวันนี้คนยุโรปโวยวายอ่ะแต่สแตดาผุ้เซนถูกรังแกใช่ไหมอิรับถูกรังแกอะไรนะอัฟกานิสถานถูกรังแกนั่งเงียบหมดอ่ะถูกรังแกเหมือนกันแต่ไม่มีใครพูดน่ะเพราะเองเป็นมุสลิมน่ยขอแต่แค่นี้นะไปอาไปคิดต่อกันแล้วกันครับ สุบฮานกมัวบิฮัมดิะอัลลอฮิัลลอฮิลลอห์อัลลอฮอัสตะคลาอฺเาบ้านา